กลไกลชีวิตในการกระทามีข้อสงสัยว่าคนทั้งหลายที่ทำอะไรต่างๆนี้ก็ทำด้วยความอยากทั้งนั้นคือมีความอยากจะทำจึงทำและอยากทำอะไรก็ทำอันนั้นถ้าหมดตันหาไม่มีความอยากเสียแล้วไม่มีตันหาเป็นแรงชักจูงให้ทำโน่นทานี่แล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรเลย แล้วจะอยู่ได้อย่างไรมีกลายเป็นคนนิ่งเฉยไม่กระตือรือร้อนไม่มีชีวิตชีวาไปหรือคงเป็นอย่างที่เรียกว่าหมดอะไรตายอยากข้อสงสัยนี้ที่จริงไม่ต้องตอบเดี๋ยวก็เข้าใจเองตอนแรกขอให้มองง่ายๆว่าที่ว่าทําอะไรอะไรทุกอย่างนั้นก็รวมอยู่ในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะทําอะไรก็เคลื่อนไหวทั้งนั้น แม้แต่ทำการไม่เคลื่อนไหวก็ต้องมีการเคลื่อนไหวในใจเป็นธรรมดาตามธรรมชาติการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะที่สำคัญของชีวิตเมื่อเป็นชีวิตและยังมีชีวิตก็มีการเคลื่อนไหวถามว่าที่คนสัตว์ทั้งหลายเคลื่อนไหวทำอะไรอะไรนั้นเคลื่อนไหวทำไปได้อย่างไร หรือว่าชีวิตมีกลไกการทำงานอย่างไรในการเคลื่อนไหวทำการต่างๆอย่างที่เคยพูดแล้วคนสัตว์ไม่เหมือนใบไม้กิ่งไม้ที่สะบัดไหวแกว่งไกวไปตามแรงลมเป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกแต่คนสัตว์เคลื่อนไหวทำอะไรได้เองจากปัจจัยภายในแล้วปัจจัยภายในเหล่านั้นมีอะไรบ้าง เมื่อด้านร่างกายอวัยวะยังดีพร้อมที่จะขยับขยื่อนเคลื่อนไหวแล้วในใจเริ่มด้วยต้องมีความรู้สึกว่าข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างที่ไกลที่ใกล้ตรงไหนมีหรือไม่มีอะไรเป็นต้นพูดง่ายๆว่ารู้ที่ที่จะไปได้คือมีความรู้เมื่อรู้ที่ไปแล้วทีนี้ก็ต้องเลือก ตกลงตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนทางไหนตลอดจนว่าจะทำอะไรอย่างไรตัวการในใจที่ทำการตัดสินตกลงใจหรือตัวเจ้าของอำนาจตัดสินใจนี้ซึ่งเป็นตัวบงการหรือสั่งการนั้นเรียกว่าเจตนาถามต่อไปว่าเมื่อรู้ที่ที่จะไปรู้เรื่องที่จะทำแล้ว เจตนาจะเลือกตัดสินใจไปไหนจะทำอันใดตรงนี้แหละสำคัญคือเจตนามีแรงจูงใจให้เลือกตัดสินใจโดยทำตามแรงจูงใจนั้นถ้าพูดให้ง่ายๆอย่างภาษาชาวบ้านแรงจูงใจนี้ก็คือความอยากเมื่ออยากไปไหนอยากได้อยากทำอะไรเจตนาก็เลือกตัดสินใจเคลื่อนไหวไปนั่นไปทำอันนั้น ก็ถามต่อไปว่าความอยากนี้คืออะไรอย่างง่ายๆก็บอกว่าความอยากก็มาจากความชอบใจและไม่ชอบใจตัวชอบอะไรอะไรถูกลิ้นถูกหูถูกตาถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากกินอยากเสพและอื่นๆถ้าอะไรไม่ถูกลิ้นไม่ถูกหูไม่ถูกตาไม่ถูกใจตัวไม่ชอบก็อยากหนีไปเสีย อยากทิ้งอยากทำลายเป็นต้นแล้วเจตนาก็ตัดสินใจทำไปตามนั้นความอยากที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจแล้วจะเอาหรือไม่เอานี้เรียกว่าตัณหาเป็นอันว่าในการเคลื่อนไหวทำอะไรอะไรนี้มีปัญญาช่วยบอกช่วยส่องสว่างให้ความรู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไร แล้วตัณหาอยากจะเอาไม่เอาอะไรเจตนาก็สั่งให้ชีวิตร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรอะไรไปตามนั้นแต่ตรงนี้หยุดนิดมาคิดดูหน่อยการที่ชีวิตจะเคลื่อนไหวทำหรือไม่ทำอะไรนี้ที่จริงนั้นชีวิตมีความประสงค์มีความต้องการพูดง่ายๆว่ามีความอยากยึดลึกลงไปอีก คืออยากเป็นอยู่อยากรอดอยากปลอดภัยอยากแข็งแรงสมบูรณ์อยากมีความสุขอยากเป็นอยู่ให้ดีที่สุดพูดรวมๆ ว, ว่าอยากมีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ที่นี้ก็ถามว่าที่ปัญญารู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนเป็นของกินได้หรือไม่ได้อร่อยไหมเป็นต้นแล้วตัณหาชอบใจอยากกินอย่างไหนที่อร่อยถูกลิ้น ไม่ชอบไม่อยากกินที่เห็นว่าไม่อร่อยและเจตนาก็ให้กินและไม่ให้กินไปตามเสียงชักจูงกระซิบบอกของตัณหานั้นถามว่าอย่างนี้แค่นี้พอไหมที่จะให้มีชีวิตดีงามสุขสมบูรณ์ตอนนี้ปัญญาเองนั่นแหละก็จะบอกว่ารู้แค่นั้นไม่พอหรอกจะไปพออะไรกันมองเห็นรู้ว่าอันนั้นอร่อย แถมแต่งสีสวยเกินน่ากินตันหาบอกว่าอยากกินลองกินเข้าไปสิก็เหมือนใส่ ย, ยาพิษให้ทีละน้อยนานไปในระยะยาวจะแย่แน่ๆถึงอันน้นก็เถอะไม่ถึงก็มียาเทียมพิษตันหาว่าอร่อยอยากนักลองกินเปิบเข้าไปเข้าไปตามใจตันหาสิไม่ช้าหรอกจะเป็นโรคอ้วนและอื่นๆ รู้แค่นั้นไม่พอเลยความรู้แค่นั้นใช้ไม่ได้แค่รู้สึกเท่านั้นเองก็เอาชื่อฉันไปใช้แต่ที่จริงไม่ใช่ยังไม่เป็นปัญญาเป็นความรู้โ ง, โง่ๆเป็นอัญญาเท่านั้นไม่ใช่ปัญญาก็อวิชชานั่นแหละรู้ไม่พอแล้วก็ไว้ใจไม่ได้ปัญญาเกาบอกว่า ที่โนนมีแหล่งเที่ยวสนุกมีการเล่นมีของกินของเสพมั่วได้เต็มที่มีวิธีไปให้สะดวกอย่างนี้อย่างนี้เจ้าตัญหาได้แงาจากความรู้จับเอาที่ถูกใจชอบใจอยากไปเที่ยวเล่นกินเสพสนุกสนานบอกว่าอย่าไปเลยโรงเรียนฟังวิชาทากิจกรรมทักษะเหนื่อยยากไม่สนุกสนานบอกเจตนาสั่งการ ให้หนีเรียนไปเที่ยวสถานอบายมุกแทนเมื่อปัญญาพัฒนาขึ้นไปเป็นปัญญาจริงนอกจากรู้ว่าที่ไหนมีอะไรอันนั้นอันนี้เป็นอะไรแล้วก็รู้ด้วยว่าที่ชีวิตต้องการจะเป็นชีวิตดีงามมีความสามารถสมบูรณ์ดีมีความสุขจริงนั้นอะไรจะทำให้ชีวิตเป็นอย่างนั้นได้อะไรมีคุณมีโทษอย่างไร มองเห็นเหตุปัจจัยในการทั้งใกล้ทั้งไกลว่าทำอันนี้ไปในระยะสั้นได้ผลอันนี้แล้วต่อไปในระยะยาวจะมีผลอันนั้นตามมาอีกรู้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมจึงควรทำอันนั้นอย่างนี้ทำไมจึงไม่ควรทำอันนั้นอย่างนั้นรู้ว่าถ้าไปเที่ยวมั่วที่สถานอบายามุขจะสนุกสนานเฉพาะหน้าแต่ในเวลายาวไกล ทั้งร่างกายของตัวและพ่อแม่ครอบครัวตลอดไปจนถึงสติปัญญาจะย่ำแย่ทั้งหมดส่วนในทางตรงข้ามถ้ายอมงดสนุกไปเรียนวิชาทากิจกรรมทักษะถึงเดี๋ยวนี้จะขี้เกียจไม่ได้ต้องขยันและเหนื่อยบ้างแต่นานไปเราจะได้พัฒนาทุกด้านและทุกอย่างก็จะดีขึ้นสำหรับชีวิตเจ้าตัญหานี่หละ เป็นตัวการอยากนั่นอยากนี่จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เจ้าปัญญาเก๋ไม่รู้จริงว่าอันนั้นอันนี้อันไหนดีจริงหรือไม่มีคุณมีโทษในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรรู้นิดรู้หน่อยรู้ผิดผิดยังไม่ทันรู้จริงไม่รู้ชัดเจ้าตัญหาได้แง่ที่ชอบใจเอาแค่อยากก็บอกหูหน้าเจ้าเ จ, าเจตนาให้สั่งการไป คือนอยู่อย่างนี้ในที่สุดชีวิตจะแย่เอาดีไม่ได้เป็นอันว่าเมื่อปัญญาแท้ตัวจริงมารู้ว่าจะตามใจตัณหาเอาตามที่ตัวชอบตัวอยากว่าจะได้เสพได้สนุกเท่านั้นไม่ได้จะก่อปัญหาพาทุกโทษภัยมาให้กระบวนการอวิชชาตัณหาเจตนาก็สะดุดหยุดชะงักหรือผ่อนซาไป ดังที่ว่าแล้วปัญญารู้จริงว่าอะไรดีหรือไม่ดีอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรมีโทษรู้เหตุผลรู้จักพิจารณาแยกแยะสืบสาวมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายเช่นรู้ว่าชีวิตจะดีมีสุขต้องมีสุขภาพดีและปัญญาก็บอกช่องทางหาข่าวสารข้อมูลพร้อมทั้งมองเหตุผล และความสัมพันธ์อิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายและปัญญาก็บอกได้ว่าจะให้ชีวิตมีสุขภาพดีควรกินอันนั้นอันนั้นควร อ, อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นควรจัดสภาพแวดล้อมเช่นนั้นเช่นนั้นควรทํากิจวัตรวิธีนั้นๆควรบริหารร่างกายบริหารจิตใจรู้จักใช้เวลายอย่างไรและอื่นๆแต่สิ่งที่ปัญญาบอกทั้งหมดนี้ ไม่มีอะไรที่ตันหาชอบใจอยากได้อยากเอาเลยตันหาเอาแต่สิ่งที่ชอบใจอยากให้ตัวได้ให้ตัวเสพให้ตัวอร่อยให้ตัวโก้ให้ตัวโอให้ตัวพองให้ตัวยิ่งใหญ่และอะไรที่ไม่ชอบก็ขัดตาขัดใจอยากจะให้ตัวพ้นไปอยากจะทำลายหรือกำจัดเสียเป็นอันว่าสิ่งที่ปัญญารู้ และบอกให้ว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงแก่ชีวิตนี้ตันหาไม่เอาด้วยอาศัยตันหาไม่ได้ก็เลยไม่มีแรงจูงใจที่จะไปกระซิบชวนให้เจตนาสั่งการให้ทำอะไรมากมายที่ปัญญาบอกให้ขบวนงานของชีวิตก็ติดขัดทำท่าจะไม่เดินตรงนี้แหละที่มีแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งเข้ามา คือที่จริงนั้นคนเรามีความอยากหรือความต้องการอีกอย่างหนึ่งประจำอยู่ในใจแต่ในชีวิตประจำวันนั้นอะไรๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและสัมผัสกายซึ่งเป็นส่วนเปลือกผิวของชีวิตก็จะเป็นของเด่นของไวพอเห็นได้ยินหรือเจออะไรความรู้สึกที่สบายไม่สบายถูกหูถูกตาหรือไม่ก็นำหน้าออกมา แล้วก็ตามด้วยชอบหรือชังนี่คือเข้าทางของตันหาและตันหาก็อยากได้อยากเอาสิ่งที่ตัวชอบอยากหนีอยากทำลายสิ่งที่ตัวเกลียดชังไม่ชอบและเจตนาก็สั่งการให้ชีวิตทำการไปตามนั้นถ้าชีวิตเป็นของตื้นๆไม่มีอะไรลึกซึ้งซับซ้อนเราก็พออาศัยตันหาพาชีวิตวนเวียนเรื่อยเปื่อยไปได้อย่างนี้ เหมือนอย่างแมวอย่างหนูหรือปูกุ้งกาไก่จนกว่าจะหมดเวลาถึงคราชีวิตต้องจากไปแต่อย่างที่ว่าแล้วในชีวิตของคนที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนั้นเราไม่ใช่มีตัณหาเท่านั้นเป็นแรงจูงใจแต่เรามีความอยากหรือความต้องการอีกอย่างหนึ่งที่ประณีตลึกลงไปนั่นคือความฝ่ายดี ได้แก่ความต้องการให้ชีวิตดีงามดำเนินไปอย่างถูกต้องมีความสุขที่แท้จริงยั่งยืนให้ชีวิตมีคุณสมบัติทุกอย่างถูกทวนสมบูรณ์อย่างที่มันควรจะมีจะเป็นไปได้และไม่เฉพาะชีวิตของตนเท่านั้นไม่ว่าจะไปพบพาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นๆดีงามสมบูรณ์เต็มตามสภาวะที่ควรจะเป็นของมัน แล้วก็ไม่ใช่แค่อยากให้มันดีงามสมบูรณ์เท่านั้นแต่อยากทำให้มันดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะของมันด้วยขอให้ทุกคนมองลึกเข้าไปข้างในจิตใจจะเห็นว่าเรามีความต้องการอันนี้อยู่ความอยากความต้องการอันนี้คือแรงจูงใจที่เรียกว่าฉันทะเป็นอันว่ากลาวนี้ กระบวนการของชีวิตที่เคลื่อนไหวทำอะไรอะไรก็เปลี่ยนใหม่เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาสู่ขั้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีปัญญาช่วยบอกช่วยส่องสว่างให้ความรู้ว่าอะไรไม่ดีมีโทษอะไรดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์และจะทำให้ดีงามสมบูรณ์ได้อย่างไรและฉันทะก็ต้องการให้ดีงามสมบูรณ์และอยากทำให้ดีงามสมบูรณ์อย่างนั้น ตามด้วยเจตนาก็สั่งให้ชีวิตร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรๆไปตามนั้นเมื่อมนุษย์พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นชีวิตก็ปลดลดขบวนงานของอวิชชาตันหาเจตนาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอวิชชาตันหาอกุศลกรรมให้เข้ามาปฏิบัติการได้น้อยลงไปลงไป พร้อมกันนั้นก็เปิดให้ขบวนงานที่ก้าวหน้าของปัญญาฉันทะเจตนาหรือเรียกให้ชัดขึ้นอีกว่าปัญญาฉันทะกุศลกรรมเข้ามาดำเนินการมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นวิถีชีวิตของอริยชนในที่สุดในที่นี้คำสองชุดท่านมีลูกสอนแต่ละคำไปหากัน คือเป็นปัจจัยแก่กันนะครับชุดแรกคืออวิชชาตันหาเจตนาหรืออวิชชาตันหาอากุศลกรรมชุดที่สองปัญญาฉันทะเจตนาหรือปัญญาฉันทะกุศลกรรมเมื่อปัญญาแท้มาปัญญาเทียม คืออวิชชาหลีกหลบไปพอปัญญาแท้บอกอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าชีวิตต้องการสุขภาพที่ดีโดยมีวิธีทําวิธีปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่ปัญญาแท้บอกนั้นไม่ถูกใจอย่างที่ตัญหาชอบอย่างที่ตัญหาอยากเอาอยากเสพเลยเป็นอันว่าตัญหาชอบใจเมื่อได้อวิชชาคอยพนาพนอแต่พอปัญญาแท้มา ตัญหาไม่เอาด้วยและอยู่ไม่ได้ตอนนี้แหละฉันทะจะได้โอกาสพอปัญญาบอกให้ว่าชีวิตจะดีงามสมบูรณ์มีสุขภาพได้สิ่งนี้มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างนี้อย่างนี้ควรปฏิบัติจัดทำอะไรต่างๆอย่างนี้อย่างนี้ฉันทาที่อยากให้ดีงามสมบูรณ์และอยากทำให้ดีงามสมบูรณ์ก็เข้ามารับเรื่องจากปัญญา แล้วก็แจ้งจูงเจตนาให้สั่งการบัญชาออกมาเป็นการกระทําทั้งหลายที่จะให้สำเร็จผลตามนั้นเท่าที่พูดมาคงพอให้ได้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องแรงจูงใจคือความอยากความปรารถนาหรือความต้องการที่มีสองอย่างคือตัณหากับฉันทะ และคงชัดเจนแล้วว่าแตกต่างกันอย่างไรก่อนผ่านไปมีข้อที่ขอให้สังเกตอันจะช่วยให้ยิ่งเห็นความหมายของความต้องการสองอย่างนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นกล่าวคือในสายขบวนของอวิชชาตันหานั้นพอเริ่มต้นได้มีความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจขึ้นมาอยากได้อยากเอาอยากเสพก็จะเกิดมีตัวตนขึ้นมารับสมองเป็นผู้ได เป็นผู้เอาเป็นผู้เสพขึ้นมาทันทีแล้วแน่นอนก็ย่อมมีเป็นคู่กันขึ้นมาว่าเป็นตัวเราตัวกูผู้ได้ผู้เอาผู้เสพกับสิ่งที่จะเอาจะได้จะเสพต่อจากนั้นยังจะมีตัวเขาตัวมึงตัวมันที่จะมาคุกคามมาขัดมาขวางมาแย่งมาชิงและอื่นๆต่อไปอีกแล้วลึกลงไป ก็อยากให้ตัวเราตัวกูที่จะได้จะเอาจะเสพนั้นมั่นคงถาวรยั่งยืนจะได้เสพเรื่อยไปตลอดไปแล้วก็ให้ตัวเราตัวกูนั้นยิ่งใหญ่จะได้แน่ใจที่จะเสพจะได้ให้มากที่สุดโดยไม่มีตัวอื่นมาขัดมาขวางได้เป็นต้นรวมทั้งถ้าเจอสิ่งที่ไม่อยากไม่ปรารถนาไม่ต้องการก็จะต้องพ้นไปให้ได้จะต้องกำจัดทำลาย หรือถ้าไม่ไหวก็ตีกลับมาบางทีถึงกับอยากให้ตัวเราตัวกูนี้มาลายตายหายสูญจากมันไปแต่ในขบวนการของปัญญาที่นำไปสู่ชันทะนั้นตรงกันข้ามไม่อยากให้สิ่งนั้นๆดีงามสมบูรณ์ก็เป็นความอยากเพื่อความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆตามสภาวะของมันโดยไม่ต้องมีตัวตนที่ไหน ไม่ว่าตัวเราตัวเขาหรือตัวใครที่จะต้องมาเป็นผู้อยากผู้อะไรอะไรคือเป็นธรรมชาติอยู่ตามสภาวะอย่างนั้นเองทีนี้ก็สรุปไว้ให้สั้นอีกครั้งหนึ่งว่าความอยากความปรารถนาความต้องการที่เป็นแรงจูงใจให้คนทำการหรือทำกรรมต่างๆนั้นมีสองอย่างได้แก่หนึ่งตัณหา คือความอยากเสพอยากได้อยากเอาเข้ามาให้แก่ตัวเอามาบำเรอตัวเอาให้ตัวเป็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความต้องการเพื่อตัวตน 2. ฉชันทะคือความชื่นชมยินดีในความดีงามสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ และอยากทำให้มันดีงามสมบูรณ์เต็มตามสภาวะของมันเป็นความต้องการเพื่อความดีงามสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆเองขอย้ำที่ว่าต้องการเพื่อความดีงามสมบูรณ์ของสิ่งนั้นนั้นก็รวมทั้งความต้องการเพื่อความดีงามสมบูรณ์ของชีวิตของเรานี้ด้วยเช่นอยากให้แขนขาของเรานี้ดีงามสมบูรณ์ แต่เป็นความอยากให้แขนขานั้นดีงามสมบูรณ์ในฐานะและตามสภาวะที่มันเป็นแขนขาซึ่งเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของชีวิตนี้ที่ควรจะให้ดีงามมีสุขภาวะสมบูรณ์ตามสภาวะของมันนั้นลองพิจารณาดูว่าความอยากที่มีต่อแขนขาตรงตามสถานะและสภาวะนี้จะดีกว่าอยากให้แขนขาของตัวตนของเรา สวยดีน่าชอบใจหรือไม่นี่ก็ฉันทะกับตัญหาที่ท้าทายปัญญาผู้แยกยะ